อ่าตอนนี้ไปก็จะได้อธิบายธรรมะสู่กันฟังธรรมะในวันนี้อ่ก็จะได้แสดงเรื่องสติปัฏฐานสี่นี่แหละแต่ความจริงก็แสดงมาแล้ว แต่ว่าก็ต้องแสดงอีกเ <c> พ <oughs> ื่อเป็นเครื่องเตือนใจของผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสน า, าพระาศาสดาทรงสแสดงปฏิสติปฐานธรรมทั้งสี่นี้ให้แก่ประชาชนชาวกุรุราชในประเทศอินเดียครั้งนั้น ชาวเมืองกุรุราตนั้นไม่ไม่เฉพาะแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นแม่ชาวบ้านผู้ครองเรื อ, อนก็ยินดีพอใจปฏิบัติตามสติปัฏฐานทำทั้งสี่นี้ <c oughs> จะไปทำมาหากินเก็บผักหกักปืนทำไรไทยนาะอยู่ที่ไหนหากเมื่อได้ สมาคมกันก็จะชอบพูดถึงแต่เรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้เละนี่พูดตามตำรา <c oughs> แสดงว่าชาวเมืองปุโ ร, ราะนั่นจิตใจจดจ่ออยู่แต่ในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่ดังนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจว่า การปฏิบัติธรรมนี้ไม่ไม่อ้างกาลอ้างเวลาเลยเวลาใดก็ทําได้ทั้งนั้นว่าแต่ขอให้มีความเชื่อมั่นในใจจริงๆเชื่อมั่นว่าเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมนี้จะได้รับความสุขอย่างนั้นจกทํากิเลสให้น้อยเบาบางออกไปใจเมื่อมองเห็นรูทางอย่างนี้แล้ว มันก็พอใจทําคนเรานะ่ะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าไม่ไม่มองเห็นเหตุผลแห่งการกระทําอย่างว่านี่แหละมันก็ท้อแท้ไม่เข้มแข็งไม่พอใจจะทําเพราะมันมองไม่เห็นผลที่จะพึ่งได้รับดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงอานิสงส์แห่งการ จเจริญสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ไว้ว่าเป็นไปเพื่อความระ ง, งับเสียได้ซึ่งความทุกข์ความโศกเศร้าความเสียใจพิไร ล, ลำพันต่างๆในความทุกข์ความโศกดังกล่าวานี้ยอมระ ง, งับดับไปเมื่อบุคคลใดมารู้แจ้งในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ถ้าหาว่าจเจริญมากๆเข้าไป ได้ที่แล้วก็สามารถที่จะบรรลุมรคลได้อในตำราท่านยังกล่าวไว้ว่าถ้ายัางแรงกล้ามากก็เจ็ดวันเท่านั้นแหะเจริญสติปัฏฐานอยู่เจ็ดวันก็บรรลุเลยอันนี้คงหมายเอาท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามากทีเดียวแหละถ้าหากว่านานกว่านั้นก็เจ็ดเดือนถ้านานกว่านั้นก็เจ็ดปี ก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ทรงแสดงสติ อ, อนิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ไว้เพื่อให้พุทธบริษัทผู้เจริญสติปัฏฐานสีน่นี้มีหวังมีหวังผลอันเป็นที่พึ่งพอใจล่วงหน้าไว้ก่อน มันถึงได้มีกำลังใจบำเพ็ญเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะพิจารณาเหตุผลในปัจจุบันแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับที่จะไปท่อถอยแต่ข้อสำคัญก็ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็แล้วกัน mm hmm. เห็นโทษแห่งความรักเห็นโทษแห่งความชังเห็นโทษแห่งความหลงความเมา เมื่อเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานี่แล้วก็พอใจที่จะเจริญสติปัฏฐานสี่แหละเช่นกายานุปัสนาสติปัฏฐานนี่ตั้งสติไว้ที่กายแล้วเพ่งพิจรารณาแยกแยกออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไป เมื่อเมื่อว่าพี่นาแยกแยะให้เป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปแล้วนั้นก็ย้อนเข้ามาถามจิตตัวเองว่าที่ไหนที่ว่ากายเราของเรามีอยู่ไหนนี่มันก็จะต้องตอบได้ทันทีเลยแล้วว่ามันไม่มีเราเขาไม่มีอยู่ในนี้เพราะว่าเมื่อมันแตกกระจายกันออกไปแล้วมันก็เป็นสภาวะาธาตุลงไปตามเดิมนั้น หาคนหาสัตว์ไม่มีแล้วความจริงของร่างกายก็เป็นอย่างนี้แล้วหนับมีซ้ำก็ทั้งมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่สวยสดงนงามอะไรเลยพี่ว่ามันสวยงดงามเพราะตกแต่งต่างหากนี้ประดับประดาไปต่างหากถ้าหากว่าไม่ตกแต่งไม่อาบน้ำชำระเหงื่อใคร ต่างๆแล้วไม่ประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่างๆแล้วมันไม่มีอะไรสวยงามหรอกความจริงนะนี่คนก็ไปหลงหลงเวลาเขาประดับตกแต่งใส่เครื่องประดับประดามีสีสันต่างๆเข้าไปแล้วก็เอาแหละหลงเลยสำคัญว่าสวยงามนี่ผู้ที่จะบรรเทาความรักความใคร่ต่างๆลงได้ ก็เพราอาศัยมาเพ่งพิจารณาร่างกายนี้เป็นอารมณ์แยกออกไปเป็นส่วนๆดังกล่าวมานั่นเนะีแม้เป็นคารืหัดถ้าหากว่ามาพิจารณาร่างกายนี้เป็นอารมณ์มันก็จะบรรเทาราคะตัณหาลงได้จะไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมหรือว่าจะไม่ไป ทำชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นนั่นแหละถ้าบุาคคลใดเป็นผู้ปล่อยให้ราคะตัณหาข้อบงมจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันย่อมดิ้นลนแสวงหาไปไม่เลือกเฟ้นเลยไม่ไม่คำนึงถึงว่ามันจะเป็นบาปเป็นโทษไม่คำนึงเลยเมื่อความรักมัน ครอบงำจิตใจแล้วมันทำให้ใจมืดใจบอดมองไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันเลยถ้าปล่อยให้ราคะตัณหาครอบงมจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันก็ต้องอยู่ไม่ได้เลยในพรมจันนี่นะหรือถ้าอยู่ไปก็จะประพฤติผิดพระวินัยเข้าไปอย่างร้ายแรง จะทำให้ชีวิตนี้อับเฉาลงไปไม่ได้ผลจากการประพฤติพรหมจรรย์นี้เลยนี่เหตุผลน่ะเหตุผลที่ว่าทำไมพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ตั้งสติเพ่งพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นตามสาภาพความเป็นจริงก็เพื่อบรรเทากิเลสดังกล่าวมานั้น เพื่อป้องกันไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจแล้วก็เพื่อบรรลุอริยสัจ ธ, ธรรมของจริงนั่นเป็นจุดสุดท้ายเลยอันนี้บุคคลผู้จะบรรลุอริยสัจ ธ, ธรรมได้มันก็ต้องมามองดูอัตภาพร่างกายนี้เห็นเป็นของว่างว่างจากสัตว์จากบุคคลเลยไม่เช่นนั้นแล้วก็จะบรรลุ มักผลนิพพานไม่ได้เลยเพราะมันคานี่มันติดอยู่ในรูปอันนี้นี้มันจะไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรฮะแม่เวทนาก็อาศัยกายกับจิตนี่แหละสัมผัสคือว่าถูกต้องกันเข้าแล้วจะได้เกิดสุขเวทนาทุกเวทนาขึ้นมาดังนั้นเมื่อรู้แจ้งกาย รู้แจ้งจิตนี่แล้วมันก็รู้เท่าทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาเช่นเดียวกันแหละเพราะมันเกิดด้วยกันเป็นอย่างนั้นแม้ธรรมารมณ์ก็เหมือนกันนะธรรมอารมณ์หมายถึงอารมณ์ของจิตจิตคิดขึ้นเป็นเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างเรื่องกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่ท่านเรียกว่าธรรมอารมณ์ ธรรมารมทั้งหมดเหล่านี้มันก็เกิดจากจิตนี้คิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ว่ามันมาแต่ที่ไหนไม่ใช่ยิงอยู่แหละเจาก็อาศัยวัตถุภายนอกด้วยแต่เช่นอย่างว่าตาเห็นรูปอย่างนี้ถ้าําว่าจิตไม่คิดไม่ปรุงแต่งเรื่องรูปนั้นแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรในรูปนะั้นรูปนั้นนะมันก็ผ่านไปเฉยๆนี่แหละมันเป็นงนั้น มันไม่ก่อให้เกิดบุญเกิดบาปอะไรเพราะตาได้เห็นรูปนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้ตอนที่จะมันจะให้เกิดเป็นบุญนะเพราะได้เห็นรูปพระพุทธเจ้าหรือว่ารูปที่ท่านรอเทียมรูปพระพุทธเจ้าไว้อย่างนี้สาหรับผู้นับถือบุรศาสนาเมื่อเห็นเข้าแล้วก็ทำให้จิต อ่อนน้อมเข้าไปมีจิตเคารพถ้าเข้าใกล้แล้วก็ต้องนั่งลงกราบไหวอันนี้เลีวว่าตานี่เห็นรูปที่เป็นมงคลก็ก่อให้เกิดบุญกุศลขึ้นมาอย่างนี้แหละหรือ ว, ว่าตาเนี่ไปเห็นรูปพระสงฆ์สา ม, มาเณรเข้าอย่างนี้นะในฐานะเรานับถือพระรัตนกายสามประการเป็นที่พึ่ง ดังนั้นเมื่อเห็นเข้าแล้วก็ทำให้ใจอ่อนน้อมลงไปแสดงความเขารกทางกายด้วยก็เป็นเหตุให้ได้กราบได้ว่า้ลงไปถ้าหากว่าไปรู้ทราบซึ่งว่าพระสงฆ์เหล่านี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินยัยจริงๆดังนั้นก็ยิ่งมีศรัทธาเลื่อมใสแรงกล้าถึงกับได้สละจะัตุปัจจัย ทายาทานออกไปก็ก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นนี่เลยว่าตาเห็นรูปให้ก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลถ้าตาไปเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังเข้าก็ไปแสดงความจงเกลียดจงชังแต่มันไม่เกลียดไม่ชังยู่แต่ในใจวะ น, นี่ มันแสดงออกทางกายทางวาจาทางกายก็ทำหน้าบึ้งหน้าบูดตอทางวาจาก็กล่าวเสียบแทงดูมินเหยียดหยามเข้าไปอย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วนั่นแหละเลวาตาเห็นรูปมันก่อให้เกิดบาปอากุศลขึ้นมาได้นี่ผู้ผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ นี่จับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อพิจารณาร่างกายนี้ให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงลงไปแล้วอย่างนี้แม่เห็นรูปอื่นมันก็เหมือนกันกับรูปร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่เนะี่ยไม่แตกกันเลยถ้าพูดถึงความจริงนะแต่พูดถึงไอ้สวดทรงหรือลักษณะนั่นมันอาจแตกต่างกันไปอยู่บ้างแต่พูดถึงสาภาวะ ธาตุแล้วอันเดียวกันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดเลยนี่ท่านั้ถ้าผู้ใดหมั่นเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่บ่อยๆเข้าไปนั่นแหละมันก็จะบรนเทาเสียได้ซึ่งความรักความชังความโศกเศร้าเสียใจพิไร ล, ลำพันต่างๆมูนี่แต่เวลาเจ็บไข้ไม่สบาย มายิ่งได้รับผลดีเพราะได้พิจารณาเรื่องทุกขเวทนาสุขขเวทนาจิตใจไม่ได้ติดอยู่ในความสุขแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายเดือดร้อนกับทุกขเวทนาเพราะความสุขนั้นก็เป็นความสุขอิงอาศัยไม่ยั่งยืน <c oughs> คืออาศัยวัตถุต่างๆนี่ให้เกิดความสุขขึ้น เมื่อวัตถุอันนั้นแปลพวนไปความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็กลับเป็นทุกข์ขึ้นมา <c oughs> ก็สติมันเลือลึกได้อย่างนี้มันรู้ได้อย่างนี้ดังนั้นแหละเมื่อเวลาเจ็บไข้ไม่สบายลงมันจึงบรรเทาทุกข์ทางใจได้ไม่เป็นทุกข์กวนกวายเกินขอบเขต ผู้ใดซึ่งไม่ได้เจริญสติปัฏฐานนี่แน่นอนเลยเวลาเจ็บไข้ไม่สบายลงก็มีตั้งแต่ ก, ะ, กะวนกาวาย เ, เดือดร้อนเป็นทุกข์ใจหลายกลัวล้มกลัวตายกับพอๆกันสู้ต่อทุกขเวทนาต่างไม่ได้ก็เหมือนกันทำให้จิตวันไหวฟุ้งซ่านไปต่างๆนานา นี่แหละมันเป็นผลดีอย่างนี้การเจริญสติปัฏฐานสี่น ะ, ะก็ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้ทำให้กิเลสตัณหามานักทิฐิต่างๆนั้นเบาบางออกไปจากกิตสันดานนี้ได้มากมายทีเดียวนะเพราะว่าเมื่อเราเจริญ ม, มากเข้าไปแล้วเนี่ย มันก็เกิดเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นก็จิตนี้เองอะมันรู้ยิ่งขึ้นกลัวเก่าคือมันรู้ยิ่งเนะี่ยรู้เห็นว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรในรูปต่างๆจะเป็นรูปที่มีวิญ ญ, ญาณอาศัยอยู่ก็ตามเป็นรูปที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณอาศัยก็ตามมันก็ไม่มีไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรหรอกเพราะว่าจิตก็สักแต่ว่าจิต อิจก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลในสติปัฏฐานสี่จิตตานุปัสนานะนะลองคิดดูให้ดีมันก็เป็นความจริงไงมันจะเป็นของใครจิตไม่ใช่ของใครเป็นธาตุรู้เท่านั้นเองนี้ใครจะไปเป็นเจ้าของจิตได้เพราะว่าจิตไม่มีรูปร่างอะไรเลยเป็นแต่เพียงธาตุรู้เท่านั้นเองนะลองคิดดูให้ดี ดังนั้นอย่าไปถือมั่นอะไรทั้งหมดการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้จุดมุ่งหมายก็เพื่อไม่ให้ถือมั่นนั่นเองเลยไม่ให้ถือมั่นไว้ในใจไม่ถือมั่นด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายอ่ไม่ให้ถือมั่นด้วยความทุกข์ความโศกต่างๆเรียกว่าปล่อยวางความถือมั่นเหล่านี้เลย เหตุที่จะปล่อยวางความยินดียินร้ายต่างๆเป็นต้นได้ก็เพราะมาเห็นแจ้งอย่างว่านี่แหละว่าในกายนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะอันนี้มันเป็นธรรมอันละเอียดพอได้เหมือนกันเนี่ยถ้าผู้ใดไม่ทําใจสงบลงก่อนนะมันจะไม่ไม่ลงเลยไม่ยอมรับรู้มันจะดันทุลังว่าแต่ของเราอยู่นั่นเลยเพราะฉะนั้นผู้จเจริญภาวนาอยู่ ก็คงพิจารณาร่างกายเนี่ยเป็นอารมณ์นะแต่เมื่อเวลามีใครเข้ามาด่ามาว่าติเตียนเข้าโกรธนี่อันนี้เห็นได้ชั ด, ชดเลยนยะว่ามันมีอุปทานนะมันยึดมั่นอยู่นี้มันยังยึดมั่นว่าเขาด่าเราเขายกโทษติเตียนเราอย่างนี้นะมันยังสำคัญว่าเรามีอยู่ในนี้เลยดังนั้นอย่าไปประมาท เขาพูดได้ว่าตนได้ภาวนามาจริงแต่เวลามีเรื่องกระทบกระทั่งอย่างว่านั่นน่ะจิตใจยังหวั่นไหวอยู่นั่นยังใช่ไม่ได้เลยภาวนาอย่าไปเข้าใจว่าตนภาวนาเป็นไม่เป็นต้องเตือนตนเข้าไปเรื่อยๆต้องเตือนตนเข้าไปอย่าให้ใจมันหลงไปสําคัญว่าตนดีแล้วยังไม่ดี ต่อเมื่อได้ถูกสรรเสริญถูกนินทาว่าไร่ต่างๆมาจิตก็ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่วันไว้ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกเอออย่างนี้มันก็พอที่จะเชื่อได้ว่าตนนั้นได้ได้รู้แจ้งจริงรู้แจ้งในกายนี้จริงรู้ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริง เพระเหตุนั้น น, นั น, นมันถึงไม่ได้หวันไวต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งต่างๆดังกล่าวมานั้นนี่มันปฏิปทานสี่นี่ถ้าจะว่าอย่างหนึ่งแล้วมันก็เป็นยุทธ ภ, ภูมิอันหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกันกับการทำสงครามในระหว่างฆ่าศึก กับทหารของประเทศมันจะต้องต่อสู้กันอยู่ในยุทธภูมิอันนั้นตให้รู้ได้ว่าใครเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะอันนี้ก็เหมือนกันแหละนี่เราภาวนาเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพื่อเราจะเอาชนะความเห็นผิด ที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นนะให้มันระงับดับไปเลยนั่นความเห็นผิดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่นะให้สมมติว่าเป็นข้าศึกอเป็นข้าศึกของจิตดวงนี้เลยทีเดียวเลยทำให้จิตดวงนี้พ้นทุกข์้นภัยภัยไม่ได้อ่ก็เพราะความเห็นผิดอย่างว่านี่แหละ วันนี้เราจะมากำจัดความเห็นผิดอย่างว่าเนี่ยออกจากจิตใจให้ได้เลยโดยที่มาทําจิตให้สงบลงเป็นเบื้องต้นเลยทีเดียวเลทําจิตให้สงบลงไปแล้วก็เพ่งอัตภาพร่างกายนี้ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงเนี่ยแล้วก็เพ่งเวทนาอย่าไปเพ่งแต่ร่างกายอย่างเดียว จิตใจมันก็วันไหวกับทุกขเวทนานี่แหละเป็นส่วนไหลเนะ่ดังนั้นจำเป็นเราก็ต้องเพ่งเวทนาทั้งสามนั้นให้รู้เท่าตามเป็นจริงอีกไปอย่างนั้นแล้วเพ่งจิตตัวเองเข้าไปอีกด้วยนั่นเพ่งไงเห็นจิตนี่ว่าสักแต่ว่าแต่จิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไร นี่มันก็ต้องเพ่งเข้าไปอย่างนี้แหละ <c oughs> ถ้าไปเห็นจิตนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่มันก็เอาอีกแหละ <c oughs> เพราะว่าจิตนี่มันรับรู้ซึ่งอารมณ์ต่างๆนี้ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอารมณ์ไม่ดีไม่ชั่วมันก็ไหลหลังเข้าไปสู่จิตดวงเดียวนี้หมดเลยดังนั้นถ้าหากว่า ตัวเองหลงตัวเองนะหลงสำคัญว่ามีตัวมีตนแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าเขาด่ามาอย่างนี้มันก็จะหลงเข้าใจว่าเขาด่าเราอีกแหละนั่นเพราะว่าจิตเป็นผู้รับรู้คำด่านี้เรื่องมันนะ่นทีนี้ถ้ า, าว่ามีสติสัมปชัญญะได้เจริญแก่กล้าจนเห็นตามสภาพความจริงแล้วอย่างนี้มันจะปฏิเสธทันทีเลย เขาดามาอย่างเงี้ยว่าเองน่ะเป็นอย่างงั้นเองเป็นอย่าง น, น, ง น, างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่มีเขาไม่มีอยู่ในนี้หรอกอ่ามันจะปฏิเสธในใจทันทีเลยแหละกับเมื่อมันเปนปฏิเสธอย่างนั้นมันก็ไม่รับเอาคำด่าคาว่าคาสรรเสริญเยินยอของคนอื่นเลยนี่เมื่อไม่รับเอาแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรบ้านี้มันก็ไม่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาด พิดเถียงกันแต่อย่างใดเนวนทั้งหลายกย็ย่อมระงับไปโดยปริยายนี่นะมันมีผลดีทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นด้วยการที่เรามาเจริญสติปัฏฐานนี่นะให้พึ่งพาการเข้าใจ เ, เหตุผลดังที่แสดงให้ฟังมานี้นะ แน่นอนนะทุกคนนะทุกคนถ้าหากว่าไม่ได้มาเพ่งพิจารณาไม่ได้ฝึกสติให้เข้มแข็งดังกล่าวมานี่แล้วก็จะมาหลงอยู่ท้งแต่รูปแต่นามอันนี้แหละหลงสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ยึดมัน่นในความรักในความชังในความหลงความเมา ต่างๆไว้ในใจเลยทีนี้ก็เป็นเหตุให้คนเราทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างไปละทีนี้เมื่อมันยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างนั้นนะอากรรมดีกรรมชั่วก็พาท่องเที่ยวกเกิดแก่เจ็บตายไปเป็นวงกลมไปเลยฮนะออเป็นอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไป นิ่งนอนใจหัดสติสัมปชัญญะนี่นะให้มันแก่กล้าขึ้นในจิตใจหัดสติระลึกเข้าไปหาจิตนี่ให้มันได้นี่สําคัญมากนะให้มันวิ่งเข้าไปหาจิตบ่อยๆทีเดียวอหัดเข้าไปจนชนํชนานิชานาญแล้วอย่างนี้ เมื่อเวลามันมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาสติมันก็วิ่งเข้าไปหาจิตได้ทันทีไปควบคุมจิตไวแล้วไม่ให้จิตวันไหวไปตามเรื่องที่กระทบกระทั่งนั้นเมื่อจิตไปวันไหวแล้วมันก็กำหนดรู้เท่าเรื่องนั้นได้ตามเป็นจริงไปเลยปล่อยวางไปเลยไม่ยึดไม่ถือเอาแล้วจะเป็นเรื่องดีก็ตามเรื่องชั่วก็ตามไม่ถือเอาทั้งนั้นแหละเพียงแต่รับรู้ไวเฉยๆนะ เรื่องดีอย่างนี้ก็รับรู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรเรื่องชั่วมาถึงเข้าก็เหมือนกันเรารับรู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ถือว่าเขาด่าเขาว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เขาไม่ได้เขาไม่มีเราก็ไม่มีอ้าวไม่มีนะมันทำไมมันจึงด่ามาอันนั้นสังขารคือสภาพปงแต่ง กายปรุงแต่งกิจใจให้มันเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งความหลงของแต่ละบุคคลบุคคลหลงแล้วถึงได้แสดงกิริยากายวาจาออกไปดีบ้างชั่วบ้างอย่างนี้นะเป็นธรรมดาของอุทโธชนผู้หนาแน่นไปด้วยกี่เหลด <c oughs> ดังนั้นแหละนักปราชญาผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่ได้ถือสาจึงไม่ได้วันไว ไปตามในความดีความชั่วของปุถุชนคนผู้ยังมีกิเลสอยู่นักปราช้างหลายท่านให้อภัยเรื่อยไปแหละแม้จะด่าว่าตีเตียนอะไรรุนแรงมาท่านก็ให้อภัยไปเลยเพราะว่าท่านรู้นี่ว่าผู้นี้ยังหนาบุญกิเลสอยู่เพราะนั้นเมื่อเขามีกิเลสอย่างไรเขาก็แสดงออกอย่างนั้นเป็นธรรมดา เพราะเขายังเอาชนะกิเลสอันนั้นไม่ได้นี่เขาก็ต้องแสดงออกก็เป็นสิทธิของเขาแต่เมื่อเราเห็นว่าเรื่องที่เขาแสดงออกนั้นมันไม่ดีแล้วเราก็ไม่รับเอาอ่ะไม่ยึดถือเอาไว้แล้วมันก็หายเข้ากีบเมฆไปในเรื่องหมดนั้น่ะมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรต่อใครเลยนี่เราต้องเรียนให้รู้รายละเอียดของกิเลสตัณหาสารพัดเหล่านี้นะ ต้องเรียนให้รู้ต้นตอของมันมันเกิดจากความถือเราถือเขานี่นะอันนี้นะว่าเป็นมูลเหตุอันสำคัญที่สุดเลยทีเดียวบรรดาสัพพกิเลสทั้งหลายนะมันก็เกิดขึ้นจากความถือเราถือเขานี่แหละเป็นมูลเหตุสำคัญทีเดียวอขอให้เข้าใจไว้ <c oughs> ถ้าหากว่า จิตนี่นะมันปล่อยวางไม่ถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนอะไรในขันห้านี่ลงไปได้แล้วมันจักไม่สร้างกิเลสอะไรขึ้นมาเลยมันจักไม่อยากได้อะไรมันจักไม่รักใครไม่ไม่ชังใคร <c oughs> เป็นอย่างนั้นนะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ผูนั้นก็จะห้าพเพียนพยายามพยายามตั้งสติเพ่งพิจารณากายเวทนาจิตธรรมารมณ์ดังกล่าวมานี้มันกรวดกามันซักซ้อมตัวเองอยู่เสมอว่าตนนั้นรู้แย้งในกายนี้อยู่หรือหรือว่ายังหลงยังเมาอยู่นี่ก็ต้องก็ต้องตรวจทานตัวเองอยู่เสมอ ตนรู้เท่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นหรือยังก็สังเกตตัวเองนะเมื่อเวลาเกิดทุกเวทนาขึ้นจิตใจเป็นอย่างไรมันระลึกยังไงอย่างนี้แต่ถ้ามันกังวลกังวายอยู่นี่ก็แสดงว่ามันยังไม่รู้เท่ายังเจริญเวทนานุปทานนั้นยังไม่ยังไม่มากแต่ถ้าหากว่า ตนเจริญเวทนาอวสนานั้นให้มากๆรู้ชัดอยู่อย่างนี้นะเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่จิตใจมันจกไม่กวนกระวายมันจะอดกั้นทนทานได้เลยเพราะมันรู้ชัดนี่ว่าไม่ใช่ของเราหน่ทุกขเวทนาไม่ใช่ของเราอไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรเลยมันเรื่องของขันห้าตัางหากนี่มันก็เห็นไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแหละ วันนี้ก็ได้แสดงถึงเรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่โดยอาศัยชี้แจงเหตุผลต่างๆสู่กันฟังดังนั้นก็หวังว่าผู้ฟังทั้งหลายคงจะได้อุวยแย็บคลายในใจแล้วพากันไปประพฤติธปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความสุขบรรเทาทุกข์ทางจิตใจได้ไม่มากก็น้อยดังแสดงมา สมควรเกยเวลาขอยุดติลงเทียงเท่านี้